ว่างจากการเป็นชู้ได้ชื่อว่าคู่ชีวิตเพราะไม่คิดทรยศไม่โป้ปดแม้น้อยคอยประคองยามล้มเฝ้าชื่นชมยามสำเร็จเท็จจริงเปิดเผยเฉลยหมดใจไร้อาภรปิดบังทั้งเนื้อหนังตลอดตัว ไม่กลัวยามเคียงหลับไม่สับสนยามเคียงเดินภาพบาดตาปริศนาบาดใจไม่มีใครอยากเจอแค่เผลอลับตาหาความวางใจไม่ได้ทายใจไม่ถูกจะผูกพันสักกี่น้ำรับลมคมใน หาใช่สิ่งดีใจมีพิรุษไม่อาจหยุดบาปสาบกรมติดตัวทนแรงยั่วไม่ไหวกระทั่งไร้สำนึกคึกขนองอยากลองใหม่โหยหาบาปบนเตียงไม่สิ้นสุดอย่างหน้าด้านครองคู่ทั้งสมสู่กับชู้รักจักไม่เป็นสุข สนุกกายแค่วูบเดียวต้องเสียหลังไปถึงไหนจากบาดใจคนอื่นเป็นบาดเจ็บกับตัวเองเมื่อหมดความใยดีในความอบอุน่นหมกมุ่นแต่รถทรุหันชั้นต่ำก็เหยียบย่ำราศีให้เสื่อมลงชีวิตไม่อาจคงเส้นคงวาใต้ฟ้าสว่าง เหมือนเรือเคว้งคว้างกลางทะเลปเปลี่ยวล่องลอยไปเพียงเดียวสุดกูกลับพินาตรับตาตามลำพังเหมือนครั้งปฏิบัติการบาดใจรับตาคนเมื่อรับตาคู่ชีวิตต้องคิดเตือนตัวเองได้ห้ามใจไม่อ่อนไหวง่ายเกินแก้ไม่แพ้แรงยุวยุ มุที่จะยืนข้างมโนธรรมเมื่อกายใจว่างจากวงจรชู้ก็ดูตัวเองในกระจกได้เต็มตาและมองหน้าคนรักได้เต็มใจพร้อมเป็นผู้ให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัวเช่นนี้นับเป็นมหาทานประการที่สามไม่ถามหาข่าวเน่า เฝ้ารักษาศีลสะอาดหอมยอมจุกอบเพราะเห็นแก่หัวอกผู้อื่นหลับและตื่นจะชื่นใจไปจนตาย